ฟังตามกันฟังรามตามการตามเวลาเป็นงงคนถามปัญหาต่างๆเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ใมผู้ถามมีเพตอบไม่เพพูดมีผู้ฟังให้เป็นส่วนประกอบพวกเราก็เตรียมความพร้อมอยู่ตานเช้าตอนเย็นมาพบ ก, กันที่นี่จะาทยายทำในคำสอนในประูตด ที่พระเจ้าทรงแสดงยังใช่ได้อยู่ในล่าสมัยแล้วก็มานั่งอยู่ที่นี่ก็พอที่จะมีอิริวด์สะดวกบ้างไม่มีสิ่งใดมาลบกวนเพียงโลดเฉงลาโยมก็มาแค่จะลบกวน รบรรยากาศก็พอใช้ได้ไม่ร่อนรักไม่หนาวนักไม่เปิดกลางเกินไปไม่พุ่งเผยจนเกินไปเป็นส่วนประกอบนอกจากมันเราก็ในส่วนประกอบทั้งตัวของเราก็ทำต่างๆในมีฉันทะก็อพอใจ มีวิญยะมีความภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใจมีวังสาติตองอยาซื่อบื้ออะไรเกิดขึ้นเห็นอะไรพูดอะไรได้ยินอะไรตีตองให้ให้ทะลุทะลวงบ้างที่มันเกิดขึ้นภายนอกภายใน ดังที่เราสวดผู้สวดความเพียรชอบความลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าฉันทะวิยะฉันทะอุทปฏิวิยะอุทปฏิจิตตะอุทปฏิเป็นภาษาทั้งหมด ก, ก็มีอยู่แล้วในตัวเราฉันทะคือความพอใจทุกคนก็พอใจ จนตัดสินใจมาบวชมาอยู่วัดค <c oughs> ือคนผม่ผมเหลือง่มขาวออกจากบ้านไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนมาอยู่วัดนี่ฉันทกพอแล้วเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครบังคับกันมาไม่ได้เกีย์กันมาพิธยะเขียนเรื่องนี้อ่าวาง ใจคาล า, คา่อนไหวเครื่องดีให้เอามีความฉันทะเหมือนไก่ฟักไข่มันก็กกไข่ของมันจะหิวจะอยู่ยังไงก็นอนอยู่บนกกไข่ไม่ดีไปไหน <c oughs> จนไข่มันเกิดลูก ลูกมันออกมามันยังค่อยออกมันช่างตีเหล็กเผาเหล็กให้ร้อนจึงเอามาดัดเป็นรูปต่างๆในความเพียรเครื่องเผาีิเลตทำให้มันร้อนสิ่งที่มันไม่ใช่เหล็กก็หลุดออกงั้นเราเผาบาก บาดมันขึ้นสนิมเพียงแต่เอาความร้อนไปเผาไฟเอาบาดไปเผาไฟให้บาดมันแดงถ้าบาดมันแดงสนิมก็หลุดออกหรือแต่เนื้อเหล็กแล้วก็มาเครือบแล้วก็สล็กอะไรต่าง มันก็ดีกว่าเก่าเห็นเลยว่ามันมีเนื้ออยู่มันมีของไม่ใช่เนื้ออยู่ชีวิตของเราในความหลงในความรู้ความหลงไม่ใช่เนื้อความรู้เป็นเนื้อแท้แต่ใจตรงนี้หน่อยดะไรมันหลงให้รู้ก็มันหลงไม่รู้ผิดพลาดไปแล้ว ลูกตายไปแล้วไม่แค่ตรงนี้มันเล่นกีฬามันเล่นปั๊บตะก้อมันเล่นฟุตบอลต้องแก้ทำ อ, อย่างไงเอาอย่างไงมีหลักอยู่ต้องแก้มันเล่นตะก้อเขาเรียกว่าลูกส้มลูกตายถ้าลูกส้มมาแบบดนโดน ลูกตายมาลอยๆอาจะมาข้างหน้ามาข้างหลังนู่นั้นมาข้างหน้าเรามาข้างลากแล้วก็เล่นได้มาข้างหลังเอาส้นหลังใส่น่าสอกหลังใส่มาข้างเา้าว้า่เอาขวาใส่ หน้าอกก็หน้าอกใส่ว่าหัวก็องก็ใส่เจ้ลูกตายมันลูกมารอยตั้งให้ได้ตั้งขึ้นได้ถ้ามารอยตั้งขึ้นได้ เ, เล่นเล่นกีฬาเป็นนั้นสำคัญอยู่ที่การตั้งมาผิดตั้งให้ถูกมาหลงตั้งให้รู้เนี่ยสำคัญ ถ้ามันมาหลงให้ตั้งให้เกิดความโลภไม่เป็นสักทีเล่นกีฬาไม่เป็นแพ้ตลอดเวลาหลงก็หลงอยู่นั่นทุกข์ก็ทุกข์อยู่นั่นโกรธก็โกรธอยู่ด้านตั้งได้ใต้ใช่วัดถุกแผนอกมันตะก้อมันพุทบอนมันเกิดอยู่กับเราแท้แท้เกิอยู่ที่ดใดเช่อยู่ที่นั่นง่ายๆ ความหลงก็อยู่ท <Jub ilee> ี thoughts, ่จิตใจความโลภก็อยู่ที่จิตใจความทุกข์ก็อยู่ที่จิตใจความโลภก็อยู่ที่จิตใจอยู่ด้วยการอย่าพลาดอัดแทงมันเป็นให้มันชั่งนิจํานาญอันหลงเพื่อโลภอนทุกข์เพื่อโลภอันโกรธเพื่อโลภปัญหามันเพื่อปัญญาทั้งนั้น ไม่ใช่ปัญหาเป็นปัญหามหลงๆไปความหลงไม่ใช่ถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่มีค่าเลยเลยชีวิตของเรามันเป็นจดประเสริฐถ้ามาเปลี่ยนตรงนี้ไม่ประเสริฐเลยเกิดดับก็ดับตายดับตายดับไม่มีชีวิตหลงก็ถือว่าตายจากคิดไปแล้วทุกข์ก็ตายจากคิดไปแล้ว โกดก็ตายจากคิดไปแล้วนะไม่ตายก็คือมันเห็นเนี่ยแหละเห็นแล้วไม่เป็นไปกับมัน่ะชีวิตจริงๆมาอยู่ตรงนี้จะมีกี่เดือนกี่ปีกี่วันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่มานับเดือนนับปีกันนับกันตรงนี้ ถ้าไม่นับตรงนี้ไม่ตั้งตรงนี้ได้ก็ก็ตายตั้งแต่ต้นๆแล้วสุขทุกทุกข์คนตายแล้วทําไม่ตัวเองเป็นทุกข์ด้วคนตายทําไม่ตัเองเป็นสุขด้วยคนตายเอาความสุขความทุกข์เป็นเรื่องลิฉิชีวิตไม่ใช่ต้องเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์คือชีวิต มีตาภายในมีสติมี ส, สัมญญะมีความเพียรเปลี่ยนทุกข์เป็นภาวะไม่ทุกข์เป็นภาวะที่เห็นไม่เป็นไม่มีภบมีชาติในความสุขไม่มพบภพมีชาติในความทุกข์นี่คือชีวิตตั้งต้นจากตรงนี้แยกไปจากตรง น, นี้ถ้าเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ก็ด้วยว่าต้องมีการเกิดเจ็บตาอยู่ มีความตายความสุขมีความตายความทุกข์มีความเจ็บความสุขมีความเจ็บความทุกข์มีความเจ็บผู้ความอะไรต่างๆอยู่ในในภพชาติเกิดเจ็บเจบตายอยู่ก็มีการเกิดแจ็เจ็บตายในความสุขความทุกข์อยู่เกิดเจเจ็บตายที่เป็นรูปธรรม ที่เป็นขันธ์หนก็ต้องไม่มีก็ต้องตายอยู่ตลอดเวลาเรียว่าเกิดดับเมื่อเรามามีสติเห็นอาการชนนี้เรียกว่าเรียกว่าอาการเรียกว่าอาการเกิดดับเมื่ออาการกระ ด, ดับไม่มีมันก็ยิ่งดับไม่เหลืออีกทีหนึง่ง อาการกระดับไม่มีแล้วมันก็ดับไม่เหลือแล้วอาการกระดับไม่มีให้เกิดไม่มีให้ดับอีกแล้วจากนี้เลยว่ามรคนิพพานถ้ายัางมีอาการกระดับแบบรูปธรรมนามธรรมอยู่อาการกระดับแบบนามธรรมอยู่มันก็ไม่ถึงมรถึงผล อยู่ที่นี่เท่านั้นเองมักผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่ใดเบื้องใดอยู่ที่ก่อนไม่มีอาการกระดับให้ดับไม่มีให้เกิดความหลงก็มไม่มีความทุกข์ความโกรธควาอะไรไม่มีมีแต่เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับนามกับนามกับลูก นี่มาก็คูบคำกงนอยู่หลุดมือไปเรื่อยจับขึ้นมาเรื่อยภาวะที่เป็นหลุดไปแล้วภาวะที่เห็นจับขึ้นมามันสุขเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์นี่คือไม่เป็นไปกระวมสุขไม่เป็นไปกระวมทุกข์เราจะมีภาวะที่ดูมี ฉันทาพอใจที่จะสร้างภาวะที่ดูเหมือนตาลราเลือนตาเลืนขึ้นมาเถอะแต่ว่ามันจะเห็นถ้าไม่เลืนตามก็ไม่เห็นคนตาบอดคือไม่เห็นอะไรสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์คนตาบอดตาภายในมันบอดถ้าสุขขห็นสุขถ้าทุกข์ขึ้นทุกข์ ไม่ใช่เต็มไปกับความสุขไม่เป็นประกับคทุกข์คือคนตาดีก็ดูโลกแล้วตาเนื้อตาในตาเนื้อบางทีมีปัจจัยทําให้เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ตาในมีปัจจัยไม่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์ หน้านาหน้าเนื้อหน้าในหน้าเนื้อต่อจใจเสืออบราณท่านว่าหัวดับแบตเตอรี่หมดมันบอกาแบตเตอรี่หมดก็ไม่ได้ยินแล้วของปอม พอหาบรนเทาเยี่ยวยาได้ตั้งหัวมันหมกหูได้าใดไแม่ดวกได้ยินได้ยินสวบเงียบในเนินทามันเป็นเสียงของโลกเห็นเขาเนินทาฟังได้เสียงของธรรมเขาสอนเสริญได้ยินเสียงของโลก แต่ถ้าหูภายนอกมันหวกไม่ได้ยินเลยแต่ยังดังอยู่ภายในเห็นโลกเห็นโลกโลกโลกโลกโลดเสียงอารมณ์ต่างๆทุกทุกถึนท้าเริญไม่มีใครไม่ฟังเสียงความเงียบเท่าคนไม่มีใครหูหลวกเท่าบุคคลที่บริยินความเงียบ ได้ยินแต่เสียงโลกให้มีใครจะบอดเท่ากับคนไม่ดูตัวเองในอารมณ์อะไรต่างๆอาการเกิดขึ้นไม่ดูให้เห็นเป็นไปกับเรื่องต่างๆอะไรกิดขึนเป็นไปกับเรื่องต่างๆอะไรเกิด้นเป็นไปกับเราสุข ก, ก็สุกไปกับความสุขทุกข์ก็สุกสุขไปกับความทุกข์ทุกข์ ก, ก็สุกไปกับความทุกข์ หลงก็หลงไปกับความหลงโกรธก็โกรธไปกับความโกรธนั่นคือเป็นเป็นธาตรับใช้เราจรึงมาฝึกตนเองเนี่ยให้หมัอนอิสระเรื่องนี้หนึ่งวันก็ดีช่วโงหนึ่งก็ดี โบราณท่านว่าชั่วช่างสวัสดิ์ถูชั่งวงูเลบลิ้นถ้าปล่อยตรงนี้ล่ะไม่มีค่าเลยชีวิตเราจึงจำเป็นต้องปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนร้ายเป็นดนะีถ้าไม่เปลี่ยนไม่ค่าอะไรเรา มันก็มีหลงมีโศกมีทุกข์มีโกรธมีเยอะแยะแปดมืองสิ่พันอย่างไายเราหมดที่สลภาพเราต้องเปลี่ยนมันมาที่เลยก็เปลี่ยนมันไม่มีอะไรก็ดูมันดูจนไม่เห็นอะไรเกิดขึ้น เราดูอ๋อดูเอ็กซเรย์ ray, ดูคนป่วยดูแลจนเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รตรวจหลงต่แต่ก่อนเป็นโรคมะเร็งหลายอย่าง ไปตวจครั้งแรกก็เจอมะเร็งมันดับที่สี่เจอหลายอย่างมีความดันมีเลือดมีวันโลกด้วยมันแพ้ท้องก็เสียอันนันอยู่พอฝนตก่าเปาก็ไหลออกเลยเสียหมด ไปตรวจครั้งที่หกเราที่เล้วมาเนี่ยหมอบอกว่าไม่ต้องเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์มาหกครั้งแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วหมอบอกอย่างะไม่มีอะไรแล้วถ้าจะเรียกว่าโลกไม่มีแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ รูปธรรมแปลว่านามธรรมเราก็ตรวจท้องเราเองไม่มีอะไรที่เป็นโรคทําไมมีปัญหาไม่มีหมอคนใดจะมาตรวจตายดูแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่มีอะไรจนไม่เป็นอะไรใครเป็นคนบอกซักวันหนังเราจะต้องพูดออกมาถ้า ถ้าหากเราปฏิบัติทำกันอยู่แล้วนี่นี่มีไหมคิดน้อยมีไหมมีอะไรไหมเดี๋ยวนี้มีความรักไหมมีความชังไหมมีความโกรธไหมมีความทุกข์ไหมมีความหลงไหมมีความพอใจไหมมีความไม่พอใจไหมเบอร์นายสุโกโต้เบอร์นายเพื่อนเบอร์นายที่่อาศัย กีบอลลุกเป็นไฟข้านุ่งลุกเป็นไฟกระตีลุกเป็นไฟอาหารการกินลุกเป็นไฟดังนั้นว่ามันมี ม, นมีเชื่อเอาจนไม่มีอะไรเอาจนไม่เป็นอะไรเหมือนหมอตรวจโรค ล, ลงต่อไปตรวจเที่ยวหน้าเนี่ยเดือนพฤกจิกาเน่ยเขาว่าหมอว่า ไม่ต้องเอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรแล้วง่ายๆไเนเลยแต่ก่อนต้องเอ็กซเลย์ผ่านรลังสีผ่านไฟอะไรต่งางๆอ่อนแอลงรื่ยเอ็กซเย์ ray, ที่ได้จความดันสูงหมดแรงเอ็กซเลย์ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันทำลายทุกอย่างรีดรา ออกมาเร่งสายหลังสีสายแสงฆ่าชีวิตเราเลยตายหมดเลยเป็นเด่นของการฆ่ามาเหลือรอดมานะฆ่าเชื่อโลกแต่มันฆ่าชีวิตเราชีวิตเราก็เป็นเชื่อโลกตัวหนึง่งหนังก็เป็นชีวิตเลือดเนื้อเป็นชีวิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงตายหมดเลยไม่เหลือต้องให้เลือด เอาขึ้นมาเราก็ฆ่าอีกเหมือนเขาต็มวยชกมวยแล้วมันหมดแรงเราเอามาพักให้หน้ามันนวดเทงานวดขามีแรงก็บอกปล่อยมันตีกันอีกตีกันแล้วก็บอกเขาหยุดหยุดพอแล้วให้หน้าหน้า <c oughs> ตาเหมือนแบบเราเนยเหมือนนักมวยชกเนาะหมดแรงเขาก็ให้เลือด ไห้เลือดก็ช้างน้ำหนักก็ม <c oughs> ีน้ำเลือดขึ้นมาหน่อยใสยหลังทีกเข้าไปอีกเลือดตายอีกใหเลือดขาวขึ้นมา อ, อีกลอดเท่าเล็บปอนี่ตั้งห้าพันใช่ไหมคุณหมอเม็ดเลือดขาวอ๋อยากกะตุ้นเม็ดเลือดขาวแพงนะอ๋อ ไม่ก็ามายิโมโหรดดังแสนกว่าแต่อันค่าชีวิตไม่มีอะไรซื้อหามันรู้สึกตัวเนี่ยต้องเสียเงินไหมต้องไมจะลิ้งมาฉีดกลมรู้สึกตัวเข้าไปไหมไม่มีเลยแต่เพิบตาก็โลดได้คือน้ําหลายก็โลดได้ลิกมือก็โลดได้ง่ายๆทำไมปล่อยมันหลงไปยาวไปถึง สารความนอนเลยไปกีโรบแล้วมันเยาวเกินไปเอาคือปั๊บสั้นสั้นสั้นสั้นหลงยาวยาวเกินไปสุกขยาวให้มันยาวเกินไปทุกข์ยาให้มันยาวเกินไปให้มีความรู้ยาวยาวเลานั้นว่ารักเยาวให้บันรักสั้นให้โตโตความรู้ตัวความหลงมันจะชัด ถ้าไปต่อความหลงมันยาวความรู้สึกตัวก็สั้นหลงน้อยๆตู้ความหลงไม่ได้นามน้อยยอ่อมแพ้ไปใครเป็นคนเห็นเราเวลามาหลงหรจากกวามือชิดความหลงออกจอได้นะแต่บางคนพอใจในความหลงปกเุื่อนคุน ค, คิดจนต้องอบับดนะับหลงเนะี่ยไม่ใช่ไป ภิกษุเมื่อเธอคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดแม่ชีเมื่อเธอคุณคิดในลมที่คุณคิ ด, เ, เ, คค ด, คคดเคยมองหน้ามองตามาตุกคามเคยมองหน้ามองตาอุรุดติดของจิดตามาได้คุ้นคิดเรื่อนั้นอยู่เธอไม่มีสติไม่สลัดความคิดออกถือว่าเฉยสินของเธอทะลุแล้วสินของเธอด่างพ่อยแล้ว ไม่ใช่สนานักก็อ้างตนว่าเป็นสำนัไม่ใช่ผู้พิท ธ, ธรรมรมจันท์ก็อ้างตนว่าเป็นผู้พิทธรมจันย์เป็นคนน่กไหนเปลกแขะเหมือนบ่อเที่ยะมอนฝอยปกปิดอนเล่นทูเจ้าด่านะสลัดออกมาเวลามันหลงยาวไปไปหาความลักยาวกันไปหาความเกลียดยาวกันไปกลับกันมา มันรู้สึกตัวโอ้ชีวิตคืนมาไม่พลาดพาไปนั่นต้องมีเรื่องงานการอันนี้ให้เราได้ทำแต่น้อยก็ต้องหลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนมันเคยอาศัยรูปนามนี้รวามโกรธเคยอาใส่รูปนามนี้ตอนทุกข์ก็เคยอาศัยรูปนามนี้คํามรับความชังก็อาใส่รูปใส่นามนี้ จิตปัญหาต่างๆอาศัยรูปธรรมนามธรรมนี้ให้มาเกิดเป็นที่ท่องเที่ยวของเขาแเราไม่มีสิท ธ, ธิในเรื่องนี้ก็เป็นสาธารณะป่าเทือนอยู่เช่นนั้นเป็นคนเถื่อน คนหลงคือคนเถื่อนคนทุกข์คือคนเตือนคนโกรธคือคนเถื่อนไม่ประโยชน์อะไรเราถ้าไปจิตก็เป็นโสเพจิตสมสอนเกินไปจะคิดอะไรก็ได้ไม่ใช่เลยสอนตัวเองเดาสาธระสมสอนเวลาอะไรที่มันไม่ควรก็สอนตัวเอง เนี่ยการฝึกสติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มาเอารูปแบบยกมือสร้างจังหวะเดินจนเท่าแตกอันนั้นก็ไม่ใช่ในสติรู้สึกตัวเห็นอยู่ตลอดเวลาฉนะันทะพอใจต้องนี้หน่อยอย่าให้ความเบื่อความจุดความเพียนอย่าให้ความขยนันพาาําความเพียนให้เป็นฉันทะพอใจ ะดัณดอุชปฏิความเพียรชอบเป็นอย่างนี้วิยาอุชปาติมีความเพียรในหลักธรรมเขาเรียกว่าธรรมมันทําให้สําเร็จเป็นวิทยาศาสตร์วิาศาสตร์ทางโลกพวกหมอพวกพายาบาลเรียนมาเป็นวิทยาศาสตร์ได้คําตอบแล้ว เหมือนห <c> ม <oughs> อแปลกมาจากสลัดน่าหลงตาเป็นโลกก็เนื้อในตับอ่อนหมอทางนี้ส่งไปก้อนเนื้อตับอ่อนหมอทางนั้นบอกว่าก้อนเนื้อตับอ่อนยังไม่มียารักษา เพราะเขาศึกษาแล้วไปหมอทางไหนแตกไปก็เนื้อตับบอ่อนมันเกิดจากกอเนื้อโตเร็วในลำคอตอมน้ำเหลืองมันไปสู่ตั บ, บอ่อนหมอทางนั้นก็ตอบมาเอออยรักษาได้รักษาได้ก็เนื้อที่มันเกิดโตเร็วในลำคอขอยายไปตามตอมน้ำรังไปสู่ตับ รักษาได้ให้ขีดเจโมตัวใหม่เข้าไปเลยวิทยาศาสตร์สำเร็จเลยหายรักษาได้รักษาได้รักษาได้ข้าพเจ้าปฏิเสธวิธีการรักษาอื่นใดให้ขีดเจโมให้หลงพ่อโดยด่วนเพื่อให้หลวงพ่อหายไก้ได้ก็วิทยาศาสตร์สำเร็จเลยก้อนเนื้อตับป้นเนื้อนกำคอหายเกยได้เลย เดี๋ยวนี้ก็นั่งพูดจูดเนี้ยไม่ต่ อ, <laughs> อถ้านี่วิทยาศาสตร์ทางธรรมะฉันทะเอาลงไปพอใจวิจัยเพียนประกอบสิ่งที่พอใจนั้นจิตะเอาใจใส่อยู่เสมอพิมังสาติต้องอย่างงู้ันหลงก็อย่างงูงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สักตัวนะ ด้วยวิมังสามีสี่ข้อทำให้สำเร็จคุณน้นทำมันทำให้สำเร็จมีมีไหมในหลักพุทธศาสตราสนาแต่วิชาการที่ทำให้สำเร็จตามหลักพิทธศาสตรเก็มีนะแต่ทางทำมีหรือเปล่าถ้ามีเลยแสดงให้เห็นด้วยอธิบายอ้างหลักฐานมาประกอบตอนตาเคยสอบนักธรรมนะ สมัยเรียนนักธรรมนะยังจําได้อยู่ฉันทวิยะจิตตะลองสังค ส, สีขอ้ออย่างเราสวดไม่ี่เนะี่ยความเพียรชอบความลึกชอบความลึกชอบเป็นอย่างใดเล่าจําได้ไหมมีสติดูอะไรดูกายเห็นกายเป็นอะไรเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํามีจอมจระถอนความพอใจและความไม่พอใจในกายออกเสียได้ อย่าโอกาสเป็นตัวเป็นตนอย่าเป็นตนอยู่ในกายร้อนคือกูหนาวคือกูสุขคือกูทุกข์คือกูหิวคือกูเป็นจักว่ากายเป็นตีนาการของกายเนี่ยก็สำลึกชอบเป็นอย่างนี้เห็นเวทนาเป็นสุขเนทุกข์เป็นเราหรือสุขทุกข์น่ะไม่ใช่เป็นจักว่าเวทนาถอนลงมา ในความรู้สึกเลิกตายจิตที่มันคิดไปด้อมไปจิตหรือคิดอะไรก็เป็นตัวเราตนหมดหรืออะไรที่มันเกิดจากความคิดเป็นเราวินหรือความรักเกิดจากความคิดกูรักความโกรธเกิดจากความคิดกูโกรธตามตามความรักทำความโกรธหรอนั่นไม่ใช่เสือเปรียบความโกรธเสือเปรียบความรักมีมากในโลกเนี่ย อ, อกหักเสีย อ, อกเสียใจเอาชีวิตไปแขวนไว้ความรักเอาชีวิตไปค่อยไว้ความโกรธอยู่ตลอดเวลาเป็นปัญหาต่อสังขมมากถอนต่อมามีสติจำชัญญะเนี่ยกิดนะทมคืออารมณ์ต่างๆอารมณ์คืออากุศลละธรรม เราสนธรรมที่มันเห็นชัดนิวรณ์และธรรมมีไหมรู้จักนิวรณ์ะธรรมไหมมีความเง่าเหงา ห, าหนอนไหมตื่นอนแล้วจะมานั่งเหงาหนอนก็อยู่ฟังเทศน่าจะฟังเทศนั่งเหงา <laughs> อ, อไม่พอหรือหลอนจี่เวพางนอนมาตั้งแต่สามทุ่ม จนัึงตีสามทีสี่เี่อย่างคนแก่ยอย่างขตาก็มาเกินสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงคนห น, นุ่มคนสาวเนี่ยก็เจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็พอได้ <c oughs> ออนี่ก็เพาะตำงานหนักทำถนนตัวส5ห้าวันแล้วหน้าดำต า, ตากแกรกกันไม่ไม่เชื่อนุ่ง น่าจัดเสื้อชักตัวคนล้ะตัวแล้วตั ว, ว, ตวอ่อยตากแดดแล้วจนเครียมไปหมดเลยก็เหนื่อยนะก็ไม่เป็นไรมันเหนื่อยก็พักผ่อนแต่รีดเกินไปนี่หนไหอนาให้วันมาทำงองอนอนความคิดฟุ้งซานหลังเดชสงสัย ตามมาลาค่ะให้บาทเกิดในใจของเราเรียกว่าโอาสนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเคยตัวมันเคยไหลมันน้ำที่มันเคยไหลโดยในน้ํนาก็ทํำถนนหไหลมายาวเกินไปพอรวมลงทีเดียวเซาะถนนขาดไปเลย อาจารย์ต้องออกแบบสถาปัตย์ทำซอย่างดีแต่ดีขนาดไหนก็ยังจะสู้น้ำได้หรือเปล่าน้ำในมันของอ่อนแต่มันแข็งก็พูเขาได้เห็นไหมไม่น้ำขีให้เห็นมาน้ำขีบ้างคนใช้ภูมิน่ะทาไมจึงเรียกน้ำขีฮะ มีคำตอบไหมคนใจพูพมาแล้วมาจะเรียกว่าแม่ข <c oughs> ีเพราะว่ามาเจาะโูเขาโลกเนี่ยมันไหลออกจากโูเขียวแม่ขีนแล้วมั น, น ม, ามาเจาะภูโคง้งเจาะโูเขาทะลุออกมาะทะลุ มรเวมาเป็นม้าขี้ผ่านมาใช่พรมตานหลายจังหวัดไปถึงอัจครมเป็นแม่น้ำพผมขี้ไหลตกพรมผองก็ไหลตกพรมแม่น้ำพผม ตกแม่น้ำมูลมน้ำมูลตกเขาเลยน่ะแม่น้ำคงน้าแม่น้ําคงอ่าก็มันไหลไปท่าภาคใต้เสร็จเลยภาคใต้ภาคกลางแต่มันไปสัปันตามภาคอีสานมันสูงที่ลาบสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือภาคอีสานและกูดมสมบูรณ ก็ว่าที่ลรอบทรงพ่อีสารของประเทศไทยอุรลงสมบูรณ์มีแม่น้ําหลายสายแม่น้ําโขงแม่น้ำพรมโมนขีพองพ่อีสารมีแม่น้ำหลายอ่าก็จะกว่าแม่น้ำขีมานจะเซาะถนนจะตุ้มขาดีก็ได้นะจะไปคิดมั่นถือมั่นว่าต้องต้องไม่เที่ยงแน่ดอน เพยังคิดว่าเออถ้าไปปั่นน้ำที่มันไหลมาจากบ้านนั่นเราแยกทางซะหน่อยให้มันไหลเข้าไปในที่สวนเขาจักหน่อยให้มันีเหลื่ยลงจังหน่อยไอ้แม่ไหลไปไหนมันรวมมาลงเทาะลงตองนั้นที่มาดีสะพานกรีตขาดไปเลยมันขมมากน้ำแม่มันอ่อนแต่มันขมนี่คือ เราก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวตนของมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเมาเจอตรงาอาจจะทำได้ในน้ำพี่ท่วมเมงิงเมาเจอตรงทำ เขื่อนเขาใหใจเลยรถวิ่งทางสี่เลนหอเขื่อนกันแม่น้ำล่อฝังไปเลยหลายลอกิโลประเทศทเราแค่นี้พวกเราแค่นี้ก็ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วต้องไปเอาหมอเจอตุงมาทำกำแพงเมืองกีน <laughs> อ่าอ่าสมกวรเจเวลากาปะพร้อมกัน